ดเลนพรานท่านสาธุชนพุทธบริษัทโบาสุโบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆุกท่านวันนี้เป็นวันวันเสาร์ที่สิเจมิถุนายนพุทธศักราชสองพเป็นวันพระวันธรรมวัฒนะวันฟังธรรมวันที่สาธุชนพุทธบริษัท จะเข้ามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อมาสร้างที่พึ่งทางใจที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถจะสร้างได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจึงยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางใจเพราะถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะมีกรอะคุ้มกัน ความทุกข์ต่างๆไม่ให้เข้ามาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจสร้างความเดือดร้อนให้แก่พวกเราไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินแสนล้าน ก็ยังจะต้องพบกับความทุกข์อยู่ต่อให้เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็ น, นประธานาธิบดีเป็นนายก ร, รัฐมนตรีก็ยังต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆอยู่นี่คือไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะคุ้มครองเราให้อยู่อย่างไม่มีความทุกข์ได้มีแต่พระ พ, พุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น ที่เราจะสามารถอาศัยยึดเป็นที่พึ่งเป็นที่ปกป้องคุ้มครองจิตใจของพวกเราไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้ดังนั้นเราจึงต้องมาวัดกันเช่นวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เราว่างจากภารกิจการงานเราจะได้เข้ามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ วิธีที่จะเข้าถึงพระพุทธพรธรรมพระสงฆ์ก็คือต้องเข้าด้วยการศึกษาศึกษาว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือใครเป็นอะไรอย่างไรถึงทำให้เราไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้เมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามแบบฉบับ ที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันพอเราได้ปฏิบัติเราก็จะได้เกราะคุ้มครองจิตใจของพวกเราทำให้ใจของพวกเรานี้ไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอีกต่อไปนี่คือการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขั้นต้นต้องข้อหาด้วยการศึกษา ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครศึกษาว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติอย่างไรศึกษาว่าพระอาหารหันตสาวกเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาได้อย่างไรพอเรารู้เราก็จะได้รู้จากวิธีที่จะทำให้เราได้กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกต่อไป เพราะว่าพระอรหันตสาวกก็ไม่ได้เป็นคนวิเศษเหนือกว่าพวกเราก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระอรหันตสาวกท่านก็เป็นคนเหมือนพวกเรามีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากต่างๆมีความทุกข์ต่างๆเหมือนกับพวกเราแต่พอท่านได้เข้าหาพระพุทธเจ้าก็ดี หรือเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีก็ได้ยินได้ฟังวิธีที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาใจของพวกเราไม่ให้ทุกข์ไปกับเรื่องราวต่างๆพอท่านรู้วิธีแล้วนำเอาไปปฏิบัติใจของท่านก็มีเกราะคุ้มครองปรากฏขึ้นมาในใจทําให้ใจของท่านไม่ต้องทุกข์กับอะไรอีกต่อไป นี่คือพระอรหันตสาวกท่านเป็นคนที่มาจากคนทุกฐานะทุกเพศทุกวัยในมีทั้งเศรษฐีมีทั้งคนจนมีทั้งคนธรรมดามีทั้งคนที่มีการศึกษาสูงมีทั้งคนที่ไม่มีการศึกษาสูงมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งหญิงมีทั้งชาย ทุกเพศ ท, ทุกวัยทุกชา ต, ติต่างชาติก็มีชาวต่างชาติก็มาศึกษามาปฏิบัติธรรมมาบรรลุเป็นพาาาระอรหันตาสาวกกันนี่คือบุคคลต่างๆที่ได้ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารนะเป็นที่พึ่งด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตาม ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติพระพุทธเจ้าของพวกเราก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นพระราชา ก, กุมาของพระเจ้าแผ่นดินเจ้าพระเจ้าสุโธธนะแต่ตอนที่ท่านคลอดมาประสูติออกมาใหม่ๆก็มีการพยากรณ์ไว้สองทางด้วยกันว่า ถ้าท่านอยู่ไม่ออกบวชท่านก็จะได้เป็นพระมหาจักรพันถ้าท่านออกบวชท่านก็จะได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือบรารมีของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสั่งสัมมาหลายภพหลายชาติด้วยกันทําให้พระ อ, องค์เป็นบุคคลที่มีรัศมีมีบรารมี แตกต่างจากบุคคลทั่วไปเพราะว่าราชาเมื่อได้เห็นก็ทํานายไทายทักกันเหมือนกันบอกว่าจะต้องเป็นพระเจ้าเป็นพระหมหาจากักรพรรดิหรือไม่เช่นนั้นก็จะต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนแต่พระราชบิดานั้นไม่ทรงปรารถนาให้พระพุทธเจ้าออกบวช ไม่ทรงปรารถนาให้พระพุทธเจ้าไปเป็นทธพุทธเจ้าอยากให้ไปอยู่เป็นมหาจักรพรรดิ <Yeah. S 1> พระองค์ก็เลยทรงสร้างปราสาทสามฤดูให้แก่พระราชาโอรสคือเจ้าชายสิทธัตถะให้อยู่ <Yeah. S 1> แล้วก็ห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวังให้มีแต่คนหนุ่มคนสาว แล้วก็ให้มีมหารสพบบันเทิงต่างๆให้มีแต่ความสุขห้อมล้อมพระเจ้าชายสิทธัตถะเพื่อเจ้าชายจะได้ไม่คิดอยากจะออกบวชแต่เนื่องจากบารามีของท่านนั้นมีมากโดยเฉพาะปัญญาบารามีทำให้ท่านนั้นมีความสงสัยมีความอยากรู้อยากเห็น ชีวิตที่อยู่นอกวังว่าเป็นอย่างไรพออยู่ในวังนี่เห็นมีแต่ความสุขไม่เห็นมีอะไรอย่างอื่นเลยก็เลยสงสัยว่าข้างนอกวังจะเป็นเหมือนอย่างที่พระองค์ประทับอยู่หรือไม่พระองค์ก็เลยแอบออกไปเที่ยวนอกวังมีมหาเล็กพาไปคนหนึ่งพอท่านองออกจากนอกวังไปเดินไปไม่นาน ก็เห็นคนชรลาหลังข้อมเดินผ่านมาท่านก็ไม่เคยเห็นคนชรลามาก่อนเพราะตั้งแต่เกิดมาก็อยู่แต่ในวังในวังก็ไม่ให้คนแก่คนชรลาเข้าไปข้างในพอเห็นคนชรลาก็เลยเหมือนกับเห็นมนุษย์แปลกประหลาดขึ้นมาก็เลยต้องถามมหาเล็กว่าคนนี้เขาเป็นใครเขาทำไมถึงเป็นอย่างนี้มหาเล็กก็กราบทูลว่า เขาก็เป็นคนที่เคยแข็งแรงเหมือนพระองค์นี่แหละตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็แข็งแรงแต่พอเขาอยู่ไปได้นานเข้าไปอายุมากขึ้นไปร่างกายมันก็จะเปลี่ยนไปร่างกายมันก็จะเข้าสู่วัยชราเข้าสู่ความแก่ร่างกายก็เลยต้องเป็นอย่างนี้หลังค่้องไม่หลังตรงเหมือนกับคนหนุ่มคนสาว พระ อ, องค์ทรงเห็นแล้วก็ทรงเกิดความวิตกกังวลเพราะมหาเล็กบอกว่าต่อไปพระ อ, องค์ก็จะต้องเป็นคนแก่แบบนี้เหมือนกันนี่คือการเห็นความทุกข์ขั้งแรกของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเห็นความทุกข์ในคนแก่แล้วพอเดินไปต่อไปอีกสักระยะหนึ่งก็เห็นคนนอนอยู่บนเตียงหน้าบ้านบนแคร่หน้าบ้านออนล้อมควรคราง ก็ถามมาหารเลยว่าคนนี้เขาเป็นอย่างไรทำไมเขาถึงไม่มีความสุขทำไมเขาถึงต้องมาล้อควรครางอย่างนี้มาหารเลยก็บอกว่าเขาเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาของร่างกายของคนทุกคนที่หลังจากที่เกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องพบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยกันทุกคน แม้แต่พระองค์เองสักวันหนึ่งก็จะต้องพบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้พอได้ยินว่าพระองค์จะต้องเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยทำให้พระองค์เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วพอเดินไปอีกระยะหนึ่งก็เห็นขบวนคนแห่ศพมาก็ถามว่าเขาแห่อะไรไปไหน มาเล็กก็บอกว่าเขาแห่คนตายจะเอาไปเผาจะเอาไปเผาที่ชายน้ำเพราะว่าคนเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วในที่สุดก็จะต้องพบกับความตายเวลาตายแล้วก็ร่างกายไม่สามารถทำอะไรได้เองถ้าปล่อยให้ทิ้งไว้ก็จะเน่าเปื่อย ก็เลยเอาไปเผาเอาไปชาปนกิจพระองค์ก็ต่อไปก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันพอได้ทรงได้ยินได้ฟังเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายก็ทำให้พระองค์ทรงมีความทุกข์เป็นอย่างมากเพราะเกิดมาไม่เคยคิดเลยว่าตนเองจะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายและพอเดินกลับจะเดินกับปัญญวังก็เห็น ชายกคนหนึ่งเป็นนักบวชเดินผ่านมาก็เลยถามมหาเลยกว่าคนนี้เขาทําอะไรเขาถึงแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นมหาเลกก็บอกว่าคนนี้เขาเป็นนักบวชเขาเป็นคนที่ออกจากการอยู่ในโลกของของพวกเราเขาไม่ปรารถนาที่จะอยู่กับความสุขต่างๆที่พวกเรามีอยู่เขาอยากจะ ไปหาวิธีที่จะทำให้เขาไม่ต้องทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายหาวิธีที่จะทำให้เขาจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปพอพระองค์ได้ทรงได้ยินก็เกิดมีความพอพระทยัยมีความดีใจขึ้นมาว่า ยังมีทางที่จะทำให้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปความเห็นนี้สิ่งที่พระองค์ได้ทรงเห็นนี้จึงติดตาติดใจอยู่เรื่อยๆจนถึงคืนที่ได้ทราบข่าวว่าพระมเหสีได้คลอดพระราชโอรสออกมาพระองค์ก็เลยทรง อุทานออกมาว่าราหุลแปลว่าบ่วงหมายความว่าตอนนี้พระราโจรถนี้จะมาเป็นบ่วงที่จะทำให้พระองค์ไม่สามารถที่จะออกบวชได้แต่ในใจพระองค์ทรงมีความปรารถนาที่อยากจะออกบวชเพื่อหาวิธีที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายในคืนนั้นพระองค์เลยทรงตัดสินพระทัยว่าจะต้องไปแล้วอยู่ต่อไปไม่ได้แม้จะไปอำลาก็ไม่กล้าไปอำลาเพราะกลัวว่าถ้าเห็นแล้วจะไม่มีกําลังที่จะลาจากไปได้พระองค์เลยหนีออกจากวังไปในคืนนั้นมีมหาเล็กพามา ไปกับพระ อ, องค์พอไปถึงชาญเมืองก็ปล่อยให้พระ อ, องค์เสด็จไปโดยเท้าไปตามลำพังเพื่อไปบวชหลังจากที่ได้ไปศึกษาไปบวชกับผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิชาที่จะดับความทุกข์ใจต่างๆแล้วพระ อ, องค์ก็สามารถ ทำตามที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนได้สามารถดับความทุกข์ได้ชั่วคราวด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาเห็นความแก่ความเจ็บความตายก็ยังเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ทราบสาเหตุว่าทําไมใจเฉงยังต้องทุกข์อยู่เวลาอยู่ในสมาธิใจสงบ ใจไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นแต่พอมาเห็นความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถามครูบาอาจารย์รูปไหนก็ไม่มีใครรู้จักวิธีดับความทุกข์เวลาที่ออกจากสมาธิพระองค์ก็เลยต้องไปค้นคว้าหาวิธีด้วยตนเองจนในที่สุดก็ได้พบความจริงในขณะที่ประทับหยุด ใต้โคนต้นโพในคืนวันเพ็ญเดือนหก็กได้ทรงตัดสร้เห็นว่าความทุกข์ของพระ อ, องค์นี้เกิดจากความอยากของพระ อ, องค์นี้เองความทุกข์นี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเวลาจิตสงบความอยากนี้ก็จะสงบไปชัว่วขราวแต่จะไม่สงบไปตลอดเวลาออกจากสมาธิมา อยากจะให้ความไม่มีความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากสิ่งที่จะหยุดความอยากได้ก็คือปัญญาปัญญาคือความเห็นความจริงเห็นว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครยับยั้งได้ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นเพียงเครื่องเครื่องมือหรือเป็นคนรับใช้ ที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟมีอาการสามสองไม่มีตัวตนในร่างกายผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้คือใจผู้ที่ทุกข์ก็คือใจทุกข์เพราะมีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอพระพุทธเจ้าใช้ปัญญาพิจารณาก็เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวพระองค์เห็นว่าร่างกาย จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นว่าร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเวลาตายไปร่างกายก็จะสลายไปกลับคืนไปสู่ดินน้ำลมไฟพระองค์ก็เลยปล่อยวางร่างกายปล่อยให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเพราะไม่สามารถห้ามมันได้แต่มาห้ามความอยากแทน ห้ามความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแทนพอพระองค์ทรงห้ามได้ใจของพระองค์ก็ไม่ทุกข์กับร่างกายอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมีร่างกายอีกต่อไปเพราะนอกจากตัดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วยังตัดความอยากที่จะหาความสุขทางร่างกายเคยตัดความสุขที่จะหารูปเสียงกลิ่นรสด้วยตาหูจมูกดิ้นกาย ตัดความอยากที่จะหาความสุขจากการเป็นเป็นนั่นเป็นนี่เช่นเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นประธานาธิปดีเป็นอะไรต่างๆที่มนุษย์เราทั่วไปอยากเป็นกันพระองค์ทรงเห็นว่ามันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็เลยตัดมันหมดไม่มีความอยากใช้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่มีความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอละความอยากทั้งสามนี้ได้หมดไปจากใจใจก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นนิพพานขึ้นมาใจที่เป็นนิพพานคือใจที่ไม่มีการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจของพระเจ้านับตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกมา จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีความทุกข์แม้แต่นิดเดียวอยู่ในใจของพระ อ, องค์ใจของพระ อ, องค์ตอนนี้ก็ยังไม่ได้หายไปไหนก็ยังอยู่ในโลกทิพย์เหมือนเดิมใจของพวกเราก็เหมือนกันใจของพวกเราตอนนี้ก็อยู่ในโลกทิพย์ไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้ใจของเราใช้กระแสะจิตสั่งร่างกายให้ทำอะไรต่างๆแต่ใจของเราอยู่แบบทุกข์กันเท่านั้นเอง เพราะเราไม่รู้วิธีทำให้ใจของเราไม่ทุกข์เพราะเราไม่รู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของพวกเราเองเราก็เลยอยู่แบบอยากกันอยู่แบบอยากก็เลยต้องทุกข์กัน hm. พอร่างกายนี้ตายไปก็อยากได้ร่างกายอันใหม่ก็ไปมีร่างกายอันใหม่แล้วก็มาทุกข์กับร่างกายอันใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เ น, <ใช kissing>นี่ยนี่คือวิธีอยู่ของพวกเรา ต่างกับวิธีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่แบบไม่อยากอยู่แบบไม่ทุกข์อยู่แบบไม่มีร่างกายแต่พวกเราอยู่แบบอยากอยู่แบบทุกข์อยู่แบบมีร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่เราอยู่อย่างนี้มาตลอดอยู่กับความทุกข์มาตลอดจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาได้ยินได้ฟัง วิธีที่จะทําให้พวกเราอยู่อย่างไม่ทุกข์กันนะก็คือเราต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติให้สละความสุขทางร่างกายไปให้ไปถือศีลไปเป็นนักบวชแล้วก็ให้ไปนั่งสมาธิให้ไปเจริญปัญญาถ้าเรามีสมาธิใจเราก็จะสงบมีความสุขและพอเรามีปัญญาเราก็จะปองได้วางได้ ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยอยากเลิกความอยากให้หมดไปพอเราไม่มีความอยากใจของเราก็จะกลายเป็นนิพพานไปเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าเหมือนกับใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี่คือเรื่องของพระพุทธธรรมพระสงค์ที่จะทําให้เรานี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ ที่จะทำให้ใจของเรากลายเป็นนิพพานขึ้นมาได้ที่จะทําให้เรากลายเป็นพาาาระอรหันตสาวกขึ้นมาได้นี่คือความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาสมัยพระพุทธการมีผู้ศรัทธามีผู้นําเอาไปปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกได้สมัยปัจจุบัน ถ้ามีผู้มีศรัทธามีผู้นำเอาไปปฏิบัติก็สามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกได้อย่างครูบาจารย์ต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังหลวงปู่หลวงตาต่างๆที่หลังจากที่ท่านตายไปแล้วกระดูกของท่านก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมานั่นแหละแสดงว่าใจของท่านได้ไปเป็นนิพพานแล้วใจของท่านไม่ต้องกลับมาเกิดแล้ว เป็นเครื่องยืนยันว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของจริงที่เราสามารถยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งทางจิตใจได้ที่จะทําให้เราไม่ต้องทุกกับสิ่งต่างๆได้ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะมีกันก็คือขอให้เราเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งทางใจของเราว่าจะปกป้องคุ้มครองรักษาใจของเรา ไม่ให้ต้องทุกกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราได้ด้วยการศึกษาวิธีปฏิบัติแล้วพอรู้แล้วก็นําอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้เราก็จะได้ผลเช่นเดียวกันอย่างที่พระพุทธเจ้าส่งได้ผลอย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงต้องมาทําทานกันมาสละทรัพย์สมบัติกันสละความสุขทางร่างกายกันแล้วก็มารักษาศีลกัน มานั่งสมาธิกันมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญากันถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะได้ผลอย่างเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาลุกได้รับกันเราก็จะได้ไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปอย่างนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ขอให้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆเช่นอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรจะมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันแล้วต่อไปทาเหล่านี้ก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเหมือ น, นกับการปลูกต้นไม้ถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วเราคอยรดน้ำอยู่เรื่อย ต่อไปต้นไม้ก็จะเติบโตใหญ่ขึ้นมาออกดอกออกผลใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราเอาธรรมะมาปลูกฝังภายในใจแล้วหมั่นเจริญหมั่นเพียรปฏิบัติอยู่เรื่อยๆต่อไปธรรมะก็จะออกดอกออกผลออกพระนิพพานมาให้กับพวกเราจึงขอฝากเรื่องของการมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อสร้างที่พึ่งทางใจ นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจรารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีลัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแก้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอ